คุณสรัญญาส่งกันบ้านเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเ้าก็กดเลยค่ะหนักแล้วก็มันเห็นแต่ว่ามันปล่อยไม่เป็นค่ะปล่อยไม่ได้แล้วก็บางทีมันเห็นมันมีความกลัวขึ้นมาแล้วก็มันก็จะกดกดลงไปอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะให้รู้จิตมันจะกดเราก็ห้ามมันไม่ได้รู้สึกไม่บังคับมันไม่ได้ไปบอกมันว่าอยากกดมันก็ไม่เชื่อ นั้นธรรมะเนี่ยนะไม่ได้อยู่ตรงที่เราบังคับจิตได้แต่อยู่ตรงที่ว่าเรายอมรับได้ว่าเราบังคับมันไม่ได้มันยากตรงเนี้ยนะยากตรงที่จะให้ยอมรับว่ากายกระใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้หลวงพ่อคะช่วงนี้ยังพูดโธได้อยู่ไหมได้ที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะเ<ะ>ก่งทําขึ้นมานิดนึงดู อ, อกบไหมดูออกครับเ อ, อมีโมหะเราก็เลยไปกดเหมือนไว้ พอดีวันนี้พาน้องมาด้วยครับเบอร์20อะครับน้องสาวเแล้วไงหนีไปนั่งโน่อนอ๋อตอนแรกผมนั่งตรงนี้พอดีพี่เขาสลับให้อ๋อแล้วไงอีกก็เช้าเนี้ยครับก็ก่อนนี้หลวงพ่อชอบบอกว่าให้ไปดูว่าตอนตื่นเช้ามาแล้วจะแบบเห็นว่าแบบวิ่งเข้าไปจับใช่ไหมก่อนนี้จะแบบเห็นตอนที่แบบมันไปจับแล้วแต่เช้านี้เหมือนแบบตื่นมาเหมือนตัวรู้มันตั้งขึ้นมาก่อนแล้วแบบมันก็เห็นแบบมีตัวหนึ่งไหลเข้าไปอย่าเงี้ยครับดีแล ถ้าเรารู้ตรงนี้นะต่อไปมันจะไม่เข้าไปเราก็จะไม่ติดอ้ภาวะที่เราติดอยู่งั้นตอนตื่นนอนใหม่ๆเป็นนาทีทองเลยนะสำหรับนักปฏิบัติพอตื่นปับ๊บหรือคนไหนทําฌานพอออกจากสมาธิปับ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นนาทีทองเพราะว่านักปฏิบัติจะคิดเรื่องการปฏิบัติทันทีทันทีที่ตื่นทันทีที่ออกจากฌานจิตจะเริ่มปรุง ถ้าเราเห็นตั้งแต่ตอนจุดเริ่มต้นเราจะรู้เลยว่าไอ้ภาวะที่เราติดอยู่นี่เกิดมาได้ยังไงถ้ารู้อีกหน่อยไม่ไม่เป็นอีกครัรู้ทันพอดีเมื่ออาทิตย์ก่อนครับตั้งแต่หลังจากมาวันวิสาขบูชาแล้วใช่ไหมครับรู้สึกเหมือนแบบไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วดูไม่ออกเลยครับก็ดูมาเรื่อยๆ ก, ก็ยังงงอยู่เลยครับไม่ไกดเอาไว้เลิกปฏิบัติซะเราก็หายครับง่ายนิดเดียว คือเราไปคิดคำว่าปฏิบัติคือแปลว่าทำต้องทําอะไรที่ไม่ไม่เหมือนมนุษย์ปกติงั้นเราไปข่มใจไว้จะปล่อยให้มันฟุ้งเลยดีไหมครับหรือว่าดีใจถึงถึงนะคือศีลห้าไว้ก่อนเป็นรั้วกั้นไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นพอมีศีลห้าแล้วปล่อยให้ใจมันฟุ้งไปเลยแล้วอย่างสภาวะเมื่อตอนเช้าที่ฟังทำอยู่เนี่ยครับอย่างตอนนั้นมันก็ยังกดอยู่ไหมครับเกิด น, นิดหน่อยน้อยกว่า น, นี้อีกครับ ต, ตอนนี้กดเดยอะเพราะคุยกับหลวงพอ่อนะแต่ก็แสดงว่ายังกดอยู่จริงๆแล้วควรจะปล่อยไปเลยใช่ไหมปล่อยไปเลยหลงก็หลงสิกลัวมันไม่กลับมาถ้ามีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมนะหาเครื่องอยู่อันหนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับแต่อยู่กับลมไม่ค่อยดยีอยู่กับลมแล้วชอบเคลิมเพราะเพราะว่าปกติสมัยก่อนคือเริ่มเพราะว่าเริ่มจากหายใจใช่ไหมครับที่ตอนหลังหลวงพ่อบอกว่าเออหายใจแล้ว มันจะเคริมง่ายแล้วก็เลิกไปตอนหลังมาอยู่กับกายทีนี้พออยู่กับกายแล้วบางทีรู้สึกมันแบบมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บางทีมันก็เพ่งด้วยก็เลยตอนนี้เลยไม่รู้จะเอาเอะไรวิีกรรมไปก็ได้ลองดูครับือเราต้องหาว่าใจเราเหมาะกับเครื่องอยู่ชนิดไหนเลือกเอามีเยอะแยะไปให้มันเนื่องด้วยกายให้เนื่องด้วยใจก็แล้วกันบางคนไปเอาเครื่องอยู่ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่ดีนะอย่างเมื่อก่อนบูมอยู่พักหนึ่งนาฬิกา ฝึกสติอะไรอ่ะโทษใช้ได้ไม่เกินอาทิตย์หรอกพ อ, อมันปลูกจนเคยชินนะก็ไม่รู้สึกแล้วงั้นเราต้องใช้เครื่องมือที่อยู่กับตัวเรานี่ไปไหนเอาไปด้วยฐานไม่มีวันหมดนะจับใดที่ยังมีกิเลสอยู่ฐานไม่หมดอ่ะ <c oughs> คุณมลนี่คล้ายๆคนแก่มีร่วมหมาก <c oughs> ยังไม่มาอย่าลืมบอกนะ <c oughs> มีของมียาดมยาหมองยะ <c oughs> เมืเช้าตื่นมาภาวนาแล้วก็เห็นเห็นจิตมันเกิดดับอยู่ข้างหน้าเนี่ยครอบมันจะอย่าอย่าอยากรู้ชัดถ้าอยากรู้ชัดจะถล่มลงไปรู้งจะถล่มลงไปเพ่งครับก็ก็ดูไปดูดูอยู่ห่างๆอย่าให้ใจถล่มไปเสร็จแล้วสักพักมันก็จิตมันก็ลงพวังแล้วก็มันรวมอยู่ตรงหน้าอกอันนี้เป็นเพราะมันอยากพักใช่ไหมฮะมันอยากพักก็คือก็ปล่อยให้มันพักไปเลยจะไปยุ่งอะไรกับมันอะคุณเสียพัน นหนูว่าดีกว่ามาเช้านะคะอะไรนะหนูว่าดีบว่ามาเช้าน ะ, ะแต่ยังปล่อยไม่หมดค<า>่ะดู อ, อกใช่ไหมดูออกค<า>่ะดูออกไม่มีปัญหาเลยการภาวนาถ้ารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงไม่มีปัญหาละค่ะเหมือนอย่างที่หนูเคยกล่าวเรีนยนพระอาจารย์เมื่อเมื่อวันที่ห้านะคะก็คือมันเหมือนมีแรง ดึงดูดของโลกอยู่แล้วอะแล้วมันจะพาเราลงต่าตลอดอแต่ถ้าเรารู้ตัวเนี่ยนะมันก็จะปล่อยอ ม, มันจะเบาโลงขึ้นมาเองใช่ใช่แล้วตรงนั้นคือสิ่งที่สร้างพบชาติให้เราใช่ใช่หะแต่ถ้าเราลอยตัวอยู่เนี่ยเราก็แค่มองดูมันเท่านั้นตงรงลอยตัวอย่าจงใจลอยนะอย่าเป็นพพอีกอานหนึ่งออนะอย่าจงใจค่ะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหน้าที่เรารู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆ นี่ถ้าเรารู้สภาวะแล้วคนทั่วไปไม่รู้สภาวะก็ถูกกิเลสลากออกไปของเราพอสภาวะเกิดเราก็คอยรู้เอาพอรู้แล้วเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาเราก็รู้เอามันจะเป็นกลางเองดีขึ้นแล้วเออดอีตอนนี้ไม่ดีแลกลับไปอย่างเก่า ก็ตื่นได้มากกว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานจะตื่นเต้นกว่านี้ตอนนี้เริ่มอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นค่ะทำไมเจอหลวงพ่อต้องตื่นเต้นเจอกล้องถ่ายหนังไม่ตื่นเต้นคนดูเยอะแยะไม่ตื่นเต้นกล้องทำบ่อยเคยชินค่ะเคยชินที่ไหนเราก็ชินนะเรารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆมันไม่ยากอะไรอ้าวบิ๊กเป็นยังไงครับตอนนี้โอ้แล้วบิ๊กคิดว่าบิ๊กเป็นยังไง คิดว่าพอไหวพอทนครับกดเอาไว้กดเอาไว้ใช่ไหมดูออกไหมดูไม่ออกครับยังกดอยู่นะบิกรู้สึกไหมใจของบิกตอนนี้กระจตอนเป็นบิกมนุษย์ปกติไม่เหมือนกันไม่อืต่างกันเออนั่นแหละไอ้ส่วนที่ต่างก็คือส่วนที่สร้างขึ้นมาด้วยคําว่าปฏิบัติ น, นั่นเองพวกเราฝากทุกคนดูนะค่อยดูใจเราเวลาเราคิดเรื่องปฏิบัติเมื่อไร่เราไม่เหมือนคนธรรมดา ใจเราผิดจากคนปกติที่เราเคยเป็นเรากลายเป็นมนุษย์ไม่เหมือนเดิมมนุษย์ที่บังคับตัวเองเงั้นส่วนเกินที่เป็นความแข็งแข็งแน่นๆ น, นทื่อๆอะไรเนี่ยส่วนเกินเหล่านี้เราสร้างขึ้นมาเพราะเราไปหลงกับคำว่าปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้แปลว่าทำนะปฏิบัติมันก่อนอาจารย์สุจินบริหารวานาเขตที่มาปลูกต้นโพวันนั้นนะปลูกต้นโพพุทธคยา ให้เก่แสดงธรรมด้วยก็บอกว่าปฏิบัติมาจากคาว่าปฏิกับปติปฏิเนี่ยแปลว่าเฉพาะปฏิถึงปฏิบัติเพว่าถึงเฉพาะหมายถึงรู้อยู่เฉพาะหน้านั่นเองปฏิบัติไม่ได้แปลว่าทำในพวกเราคุ้นเคยกับการทําทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติรรมเราจะต้องดัดแปลงจิตใจเราให้ไม่เหมือนมนุษย์ปกติมันจะแข็งแข็งทื่อๆผิดปกติฉับพลันเลย ในส่วนเกินที่สร้างขึ้นมานี่เองติดกั้นการเจริญสติที่แท้จริงไว้ใจไม่เป็นกลางใจไม่สบายไม่สามารถรู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นได้เพราะฉนั้นปัญญาจะไม่เกิดถ้าจิตมีสมสมาธิจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นได้นะปัญญาถึงจะเกิดจะเห็นความจริงเลยสภาวะทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา เพรั้นอย่าไปทําอะไรคอยสํารวจใจเราถ้าเรารู้สึกตอนนี้ใจเราไม่เหมือนตอนปกติแล้วหยุดซะกลับไปเป็นคนปกตินะจิตที่ใช้ปฏิบัติทำที่ดีที่สุดคือจิตมนุษย์นั่นแหละจิตที่ไม่ปกติที่สร้างขึ้นมาส่วนมากเป็นจิตของพลอมนะพรอมมีตั้งแต่พรอมชั้นต่ําๆนะเป็นพรอมชั้นสูงๆปลอมชั้นต่ําๆไม่ดีอึดอัด นมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อครั้งที่แล้วที่มาหลวงพ่อบอกว่าบังคับจิตใจมากไปแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเบาขึ้นค่ะแล้วก็ตามรู้ไม่ทราบตอนนี้ดีขึ้นไหมคะดีดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ยังไม่หมด <c oughs> ที่บังคับไว้ยังไม่หมด <c oughs> ใครรู้ลงไปอีกรู้ไปค่อยๆฝึกอย่างที่ทําอยู่ตอนนี้แหละ <c oughs> รู้ทันมันไปเรื่อย <c oughs> ตั้งแต่ตื่นนอนใครรู้ความรู้สึกตั้งแต่ตื่นนอนไป <c oughs> นักปฏิบัตินะพอตื่นนอนก็เริ่มบังคับตัวเองแล้ว ไปหยิบไปชฉวยมาแล้วก็บังบคับแล้วดูเล่นเล่นแต่ดีขึ้นเยอะแล้วอ่าวเบอร์ยี่สิบเอาเลยส่งเลยเหรอพี่เขาอุตส่าห์พามาไปฟังซีดีหลวงพ่อบ้างยังเออไปฟังก่อนก็ตื่นเต้นอีกแล้วว่าเจ้าคางแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองยังจงใจอยู่นิดๆอะเจ้าคางใช่ๆช่ดีที่เห็นนะ อาทิตย์นี้ไม่ค่อยมีความสุขค่ะหลวงพ่อที่ที่แล้วที่มาอยู่มันใจมันมีความสุขอ่ะค่ะและ้วอาทิตย์นี้อยามีความสุขตลอดการนึกไงก็คือรู้ว่ามันมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่ารู้ว่าใจมันอึดอัดแน่นแล้วก็บอกไม่ถูกแล้วก็มันโหยหาอออาทิตย์ที่แล้วอือย่างนั้นนะคะให้เรารู้ทันนะมันโหยหาอาดีตเราก็รู้ทันรู้ลงไปเลย หนูทำอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่ผิดะนะเป็นปกติปกติจิตเจริญแล้วเสื่อมพราะงั้นต้องเสื่อมถ้าภาวนาแล้วเจริญลูกเดียวนะจะเกิดมาหน้ า, าตาขึ้นรู้สึกกูเก่งกูเก่งกูเก่งอยู่ได้สักไม่เกินเจ็ดวันกูพังภาพแนละ้วใช่ค่ะออตอนมันแย่มากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมดานี่พอมันเสื่อมเนี่ยบางคนตกใจตกใจก็ดิ้นรนยิ่งดิ้นรนยิ่งเสื่อม เมื่อจิตรู้สภาวะของความเสื่อมให้สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ต้องตกใจไม่ต้องอยากให้ดีไม่ดีก็ได้ความเสื่อมก็จะแสดงไตรลักษ์เท่าๆกับความเจริญเราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาเจริญไม่ใช่เพื่อหนีความเสื่อมแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าธรรมชาติของขันนของจิตเนี่ยเจริญแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็เจริญเอาไว้ไม่ได้ ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับเขาไม่ได้เรียนจนกระทั่งรู้ว่าบังคับไม่ได้นะแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นต่อไปเขาก็จะเจริญบ้างเสื่อมบ้างพอเขาจเจริญเราก็ไม่ดีใจรู้ว่าอีกหน่อยก็เสื่อมพอเขาเสื่อมก็ไม่เสียใจรู้ว่าอีกหน่อยก็จเจริญใจจะเ ส, สถียรคงที่ใจไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเพราะสภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลง ก็มีปัญญารู้ว่าทุกอย่างเจริญแล้วเสื่อมทุกอย่างเกิดแล้วดับพอใจมีปัญญาอย่างนี้ใจจะไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นไม่ปรุงไม่แต่งถึงจุดหนึง่งจิตจะรวมข้าอภานาสมาธเามาิเกิดอริยามรรคขึ้นเกิดอริยมรรคเพราะว่าจิตมันเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงด้วยปัญญาด้วยปัญญานะไม่ไ ด, เด้เป็นกลางด้วยสมาธิเป็นกลางด้วยสมาธิก็เพ่งเงาแล้วก็เป็นกลางอย่างเพ่งไว้เงี้ คนด่าก็เฉยคนชมก็เฉยเก่งไว้งี้นะดูออกไหมเห็น ไ, ไหมมองโลกแบบเย็นชาผิดมนุษย์มนานล้นปล่อยให้ใจเป็นธรรมดาเขาด่ามาโกรธเขาชมมาดีใจเขาชมมากไปรู้สึกนังนี่ต่อแหละ่ะละมันต้องเจตนาร้ายรู้สึกระแวงรู้ว่าระแวงรู้ลงไปอย่างเนี้ย แล้วเราจะเห็นเลยถ้าเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางนะสภาวะทั้งหลายจะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปทุกสิ่งจะเสมอกันสุขเกิดแล้วดับทุกเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับในความรู้สึก ถ, ถึงจุดนี้สุขกับทุกข์ก็เสมอกันดีกับชั่วก็เสมอกันแต่ไม่ทําชั่วนะต้องมีศีลทําชั่วได้เพราะกิเลสครอบงำจิตแต่ถ้ามีสติ ร, รู้สุขรู้ทุกุรู้ดีรู้ชั่วยอยู่ในจิตเนี่ยกิเลสจะไม่ครอบงำ เราจะไม่ผิดศีลศีลจะมีอัตโนมัติเลยพอรู้มากเข้ามาเข้าใจจะหมดความปรุงแต่งทุกวันนี้ไม่มีปัญญาพอเห็นสภาวะอย่างนี้ใจปรุงแต่งอย่างนี้เห็นสภาวะอย่างนี้ใจปรุงแต่งอย่างนี้เห็นความสุขเกิดขึ้นใจปรุงแต่งราคะเกิดขึ้นชอบเห็นความทุกข์เกิดขึ้นใจปรุงแต่งโทสะอยากให้หายไปเห็นกุศลเกิดขึ้นชอบเห็นอกุศลเกิดขึ้นเกลียดใช่ไหม เนี่ยใจกับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเวลาสติไปรู้สภาวะปุ๊บใจยังกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงอยู่ให้คอยรู้ทันลงไปอีกรู้ทันการกระเพิ่มคือความยินดียินร้ายนี่แหละทาให้จิตกระเพิ่มทําให้จิตทํางานต่อพอเรารู้ทันความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายจะดับเมื่อความยินดียินร้ายดับใจจะเป็นกลางให้รู้สภาวะทั้งหลายด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยิยนร้ายโดยที่มีปัญญารู้ทันทุกสิ่งเกิดแล้ดับทั้งสิ้นเลย รู้ไปอย่างนี้ใจไม่ปรุงไม่แต่งเป็นกลางอย่างแท้จริงขึ้นมาหนึ่งจงจิตจะรวมเข้าอัปปนานะแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นมีกระบวนการของอริยมรรคนะไม่ใช่นึกเอาเองนะเป็นอริยมรรคมากนะเกิดได้ทุกวันไม่ใช่นะอริยมรรคไม่เกิดบ่อยอย่างนั้นหรอกนะบางคนนั่งภาวนาแล้วก็ตื่นขึ้นมาอ๋อบรรลุแล้วได้โสดาสกิทาคาคนะาสติคาสติไม่ใช่นะ หรือบางคนนั่งภาวนาไปจิตดับเป็นโฟมลูกฟักจิตดับหมดความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเลยไม่รู้สึกเลยนะโลกนี้หายไปหมดร่างกายจิตใจหายหมดเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆเหลืออยู่เลยททเพอถอยออกจากสภาวะนะั้นแล้วคิดว่าบารรลุมรรคผล น, นิพพานแล้วก็คิดว่าตอนที่เป็นนิพพานนี่พ้นจากรูปนามเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนิพพานไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเหลือเลยนิพพานมีสภาวะนะนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไร นิพพานมีสภาวะคือสันติความสงบความสันติสันติสุขซึ่งพ้นจากความปรุงแต่งของขันพ้นจากสังขารขันพ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายพ้นจากกิเลสงั้นนิพพานมีอยู่ไม่ใช่นิพพานไม่มีอยู่นิพพานเป็นธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจงั้นถ้าจะมีนิพพานก็ต้องมีใจให้ไปเห็นนิพพานไม่ใช่ภาวนาจนกระทั่งจิต ด, ดับไปแล้ว บ, บอกเป็นนิพพานแล้วใครเป็นคนไปเห็นนิพพานไม่มีนะ งัในขณะที่เกิดอริยมรรคเห็นนิพพานในเกิดอริยผลเห็นนิพพานในขณะนั้นมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตรุ่นหลังๆเราสอนกันเพียนๆนะเราคิดว่าตอนบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีจิตจิตดับไปเลยไม่มีความรู้สึกตัวแท้จริงมีจิตขณะที่เกิดอริยมรรคมีจิตทั้ง20ดวงไหยี่ชนิดที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่เกิดอริยผลมีจิตอีกตั้ง20ชนิดที่เกิดขึ้นได้ แล้วมีสิ่งที่ประกอบกับจิตด้วยเรียกว่าเจตสิกนะอย่างเวลาเกิดอริยมรรคนี่มีเจตสิกสากว่าตัวนะไม่เท่ากันนะแต่ละคนจะเหลื่อมกันนิดหน่อยแตกต่างกันตามองค์ฌานที่แตกต่างกันเพราะในขณะเกิดมรรคเกิดผลก็ยังมีจิตอยู่แต่มันเป็นจิตที่บริสุทธินั่นเองเป็นจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันก็เลย ไ, ไปรู้ธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือ น, นิพพานนะางนั้นเราต้องภาวนานะจนกระทั่งจิตเป็นกลางต่อสังขารทั้งปวง จิตก็จะปล่อยวางสังขารทั้งปวงแล้วไปเห็นธรรมะที่เป็นวิสังขารคือนิพพานให้เรารู้ทันความปรุงแต่งทั้งปวงถึงจุดหนึ่งจิตจะพ้นจากความปรุงแต่งรู้ธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งก็คือนิพพานงั้นรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ลงในกายรู้ลงในใจจนไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจจิตใจจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะกายกับใจ น, นี่เป็นทั้งตัวทุกข์และเป็นที่ตั้งของความทุกข์ แต่การภาวนาของพวกเราในขณะนี้ที่หลวงพ่อสังเกตในห้องเหล่านี้ยังไม่มีคนใดคนหนึ่งที่เห็นว่ากายกระจนี้เป็นตัวทุกข์สิ่งที่พวกเราเห็นได้ในขณะนี้คือกายกระใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายความทุกข์มันตั้งอยู่ที่ใจเห็นหเดี๋ยวความทุกข์ก็ถอยออกไปกายกระใจก็มีความสุขอีกอยังเห็นแค่นี้อยู่เรียกว่าไม่รู้อริยสัจ ถ้ารู้แจ้งอริยสัจจะเห็นเลยขันนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่ขันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างขันน่ะตัวมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นแค่ที่ตั้งของความทุกข์อย่างใจเราเรารู้ว่าใจเราเป็นตัวดีใช่ไหมเหมือนเป็นโต๊ะที่สะอาดเนี่ยแต่ว่าความทุกข์เหมือนของสกรปรกมาวางบนโต๊ะแหมเพราะมีโต๊ะทีเดียวถึงมีของสกรปรกมาวางได้นั้นต้องขจัดโต๊ะเสขจัดจิตเสียมิจฉาทิฏฐินะ งันเบื้องต้นนะภาวนาไปจนค่อยรู้กายค่อยรู้ใจจนละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเบื้องปลายละความยึดถือในกายในใจเพราะว่ารู้แจ้งอริยสัจจะละความยึดถือกายใจได้ต้องรู้แจ้งอริยสัจนะไม่มีเส้นทางที่สองเลยตราบใดไม่รู้แจ้งอริยสัจยังยึดกายยึดใจอยู่รอริยสัจเนี่ยอันแรกคือทุกข์อะไรคือทุกข์กายกับใจนี่แหละคือทุกข์ ถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่เป็นแค่ที่ตั้งของความทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกความทุกข์เบียดเบียนแต่ตัวมันนั่นแหละทุกข์ถ้าเห็นได้ถึงขนาดนี้ถึงจะวางได้ถ้ายังเห็นว่าตัวมันดีแต่ความทุกข์แอบเข้ามาเนี่ยจะคอยปัดความทุกข์นีจะคอยเอาความดียังมีทางทําอยู่นะยังจิตยังไม่เลิกปรุงหรอกงั้นธรรมะลึกซึ้งประณีตค่อยๆเรียนไป แต่ว่าตั้งแต่ขั้นต้นจนขั้นสุดท้ายมีแต่เรื่องกายกับใจในะจาไว้นะอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อไปเรียนกับท่านนี้เราไม่เรียกท่านว่าหลวงตาบัวนะเราเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวนียกท่านอาจารย์พระมหาบัวอีกองคหนึ่งมีหลวงปู่บัวคนละองค์กันนี่ท่านเรียกย่อๆมีหลวงปู่บัวแล้วท่านเลยเป็นหลวงตาบัว เราก็ทะลึ่งเรียกตามท่านไปด้วยไม่ได้นะค ร, ร, รูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนเราเรียกท่านท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านสอนนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันโอ้โหสอนเฉียบขาดมากเลยนะหรือเมื่อวานเพิ่งเผาไปองค์หนึ่งหลวงปูทงป่ทาหลวงปู่ทาถ้ำซับมืดนะเพิ่งเผาท่านเมื่อวานหลวงปู่ทาสอนง่ายนิดเดียวมีสติรักษาจิต ท่านสัเนียงท่านมีสติรักษาจิตไม่ต้องอย่างนี้นะถึงจะของแทะห <c oughs> ลวงปู่ดูลก็สอนสั้นๆดูจิตสอสั้นๆเนี่ยครูบาอาจารย์มีแต่แค่นี้สั้นๆหรือหลวงปู่เทศชอบสอนจิตกระจจิตอันใดใจอันนั้นจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตไหมเดี๋ยวก็เป็นจิตเดี๋ยวก็เป็นใจ เดี like young, warm, ๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเห็นสิเดี๋ยวก็เกิดความเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เกิดความเป็นผู้หลงขึ้นมาผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้หลงก็ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วดับแต่ถ้าคนไหนภาวนาจนยังไม่เคยรู้สึกตัวเลยจะมีแต่ผู้หลงมันจะไม่เห็นผู้หลงเกิดดับหรอกเพราะมันไม่มีผู้รู้มันเห็นผู้หลงเกิดดับได้เพราะมันมีผู้รู้มาขั้นเพราะฉะั้นเราเลยต้องรู้สึกตัวทันทีที่รู้สึกตัวนะไอ้ความหลงก็ขาดสะบั้นลงไปเราจะเห็นเลยความหลงเกิดแล้วดับ ความรู้สึกตัวอยู่ชั่วงขณะก็ดับอีกเฝ้ารู้ลงในกายในใจนะไม่มีเกินนี้หรอกกล้ายืนยันเลยไม่มีทางสายอื่นอะไรเลยนะมีแต่ทางสายเอกสายเดียวนี่เองคือการมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันรู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางๆงไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันอะไรเกิดขึ้นรู้ไปด้วยความเป็นกลางมีแค่นี้เองทางสายเดียวที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นของจิตเมียนเดียวถ้าจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วมีแต่ความสุขนะ มีความสุขอยู่ทั้งวันมีความสุขอยู่ทั้งคืนมีความสุขโดยไม่ต้องอิงอาศัยอะไรเลยมีความสุขอยู่ในตัวเองแต่ไม่ได้เกาะเกี่ยวอะไรเลยนะกระทั่งจิตไม่ได้เกาะกระทั่งความสุขไม่ได้เกาะกระทั่งนิพพานนะในนิพพานนะั้นอ่ะพอมาณศิการพอระลึกถึงเท่านั้นก็ปรากฏอยู่ต่อหน้านี้แล้วไม่เคยหายไปไหนเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเวลาย้อนลงมาดูโลกธาตุเห็นผู้เห็นคนเห็นคนเห็นสัตว์เห็นต้นไม้เห็นอะไรเงี้ย มันจะราบเรียบเสมอกันไปหมดในความรู้สึกไม่รู้สึกว่ามีอะไรโดดเด่นขึ้นมาเป็นคนเป็นสัตว์ในความรู้สึกเลยจะเห็นความว่างเปล่าที่แทรกซ้อนอยู่ในโลกธาตุนี่เองอยังมองพวกเราปลาดอย่างนี้นะถ้าภาวนาสุดขีดแล้วจะรู้สึกเหมือนมองห้องว่างๆนี่เองไม่เห็นคนเลยแต่รู้ไหมมีคนมีรู้รู้โดยไรรู้โดยสมมติ เหมือนภาวนาแล้วเราก็ปฏิบัติต่อสมมุติอย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างต่อวิมุติอย่างถูกต้องไม่ใช่ไม่มีคนไม่มีสัตว์อยากกว้างกบาลไขรก็กว้างได้นะนี่ว่างเปล่าฉะนั้นตีความว่างเปล่านี่กิเลสหลอกใจมันจะมีแต่ความเมตตานะความเมตตาคือความรู้สึกเป็นมิตรไม่รู้สึกเป็นศัตรูอะไรกับใครจะความรู้สึกเป็นมิตรความเมตตาเมตตาไม่ได้เอาไวส้สวดให้คนอื่นฟังนะ เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เป็นบทสวดให้คนอื่นฟังไม่ใช่เป็นบทสวดสอนคนอื่นด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายอย่ากัดกันอย่าทำร้ายกันนะจงเป็นมิตรต่อกันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดไม่ใช่นะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไว้อบรมคนอื่นหรอกเอาไว้อบรมตัวเองความเมตตก็คือมันมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นต่อสิ่งอื่นๆจะไม่รู้สึกอยากทําร้ายอะไร มีเมตตาเกิดขึ้นอุเบกขาจำกับตลอดเลยนะเมตตาแล้วปราศีจ่าอุเบกขาจำกับมันจะพลิกเป็นราคนะหรือมีการุณาเกิดขึ้นนะเมตต า, าเนี่ยเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนการุณาเนี่ยคนที่เขาเดือดร้อนอยู่นะช่วยได้ให้เขาพ้นทุกข์ได้ก็ช่วยนะนะไม่ใช่ไป น, นั่งสวด น, นะเห็นคนอดข้าวจะตายอยู่แล้วสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดหิวอะ่ะหิว ควรละเรื่องกันนะแต่ว่าการุณาเนี่ยถ้าไม่มีอุเบกขากํากับนะ่จะพลิกเป็นโทสะมู้ดที่ตาก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีอุเบกขากํากับนะจะอิจฉาจะอิจฉามุ้ดทีตาก็คือคนอื่นเขาพ้นทุกข์พนร้อนก็มีความสุขช่วยเขาได้หรือคนอื่นเขาช่วยได้หรือเขาช่วยตัวเองได้แล้วะคนทุกข์คนร้อนก็มีความสุขนะยินดีกับเขาเขาได้สมบัติต่างๆม า, ๆมาเขายินดีกับเขา พอมีลาบยศสารเสริญสุขก็ดีใจกับเขาด้วยแต่อย่าไปเพ่งเล็งเฮ้ยมันได้อะไรมาบ้างวะเอ้ะทําไมมันเยอะกว่าเราเนี่ยเมตตานะเมตตาอยากให้เขามีความสุขแต่เขาเขามีเยอะกว่าเราชักอิจฉาละเนี่ยไม่งั้นต้องอุเบกขารู้ทันใจตัวเองเขาดีเขามีความสุขแล้วไม่ต้องไปใส่ใจเขาละปล่อยไปเลยเขาจะได้สุขแค่ไหนก็เรื่องของเขาไม่งั้นอิจฉามันจะเกิดเนี่ยใจที่เป็นกลางเนี่ยสําคัญเห็นไหมลงท้าย เมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาลงอุเบกขายกล้วโคดชงเจ็ก็ลงอุเบกขารู้สึกไหมอะไรๆก็ชอบไปลงอุเบกขาขนาดวิปัสนาญาณนะในฝ่ายโลกียาก็ลงที่อุเบกขาตัวเบกขาด้วยปัญญาสําคัญที่สุดเลยีชื่อหนึ่งเรียกตัตธรรมชัตตาเรียกยากนางกัพิธรรมจะรู้ ท, ท่องได้ไงนะแต่หลวงพ่อรู้อย่างหนึ่ง ท่องไว้สอบเราสอบเสร็จแล้วลืมยังเว้นคําที่ใช้บ่อยๆ อ, อ้าวเบอร์ยีิบห้าเออชอบไปกดมันโดยอัตโนมัตินะคะอะไรนะอะไรนะชอบเวลารู้ก็ชอบไปกดมันโดยอัตโนมั ต, มติค่ะเก่งแล้วแล้วบางทีมันมากจนทําให้ปวดหัวะคะ่ะใช่สมน้ําหน้าถูกต้องแล้วพอไปกดแล้วก็ไปรู้มันเฉยๆแค่นี้เหรอคะไปกดรู้ว่ากดทําไมกดอ่ะ อยากดีเหมกับไม่ชอ บ, ไ ม, ชอบไม่ชอบสภาวะธรรมดูให้รู้ที่ม ไ, มไม่ชอบนะไม่ชอบเลวอยากดีรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วทำไมต้องรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วลึกลงไปที่สุดคือมันยึดว่าจิตนี้คือตัวเรามันยึดในจิตนิ่งมันอยากให้จิตใจนี้ดีอยากให้จิตใจมีความสุขมันก็เลยดิ้นรนปรุงแตง่งการปฏิบัติขึ้นมาตั้งมากมายหวังว่าปรุงแต่งไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะดีรู้สึกไหม ในใจลึกๆคอยคิดเลยเดี๋ยวเราภาวนาแล้ววันนึงเราคงจะมีความสุขแล้วก็กลัวว่ามันจะเผลอนานอะไรอย่างเงี้ยด้วยอย่ากลัวสิเผอเรารู้เอาวิธีแก้เผลอนานไม่ใช่การเพ่งนะฝากทุกคนช่วยพิจารณาวิธีป้องกันการเผลอนานไม่ใช่การเพ่งเอาวิธีป้องกันเผลอนานคือมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะอยู่กับท้องพองยุบอยู่กับอิริยาบถสี อะไรก็ได้มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งพอใจมันลืมเครื่องอยู่อันนี้ก็อ้อเผลอไปละ แ, ลแต่เวลาอยู่กับเครื่องอยู่ห้ามเพ่งห้ามเพ่งให้รู้เฉยๆเครื่องอยู่ไม่ใช่คุกเวลาเราอยู่บ้านเรามีธุระเราออกจากบ้านได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราติดคุกเราออกไปไหนไม่ได้งั้นอย่าพาให้จิตติดคุกน ะ, น ะ, นะไปข่มไว้นิ่งๆกลัวจะหนีไปใช่มนิ่งอย่างนี้เป็นการติดคุกไม่ใช่วิหารธรรม หมายถึงเวลาปกติชีวิตประจำวันธรรมาดาเหรอค ะ, อะ ไ, นะไปข่มมันไว้นิ่งๆเหรอคะอยังไปข่มมันสิตอนนี้ใจไปข่มอยู่ยังไม่เลิกเลยแต่เบากว่าเมื่อกี้ดูออกไหมอ่อนกว่าเม่กี้หน่อยหนึ่งไม <c oughs> ่เกรงใจบางทียังไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นไม่เป็นไรนะ <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจอ๋อต้องปล่อยให้มันปล่อยไปเลยเหรอปล่อยเลยหลงเป็นหลงสิถือศ <c oughs> ีลห้าไว้ก่อนเพราะฉะนศีลห้าจำเป็นนะทุกคนตั้งใจถือศีลห้าไว้ก่อน อันนี้ประการด่านสุดท้ายของมนุษย์ศีล <c oughs> ห้านี่แหละปราการด่านสุดท้ายเลยถ้าหลุดจากตรงนี้ลงอบายแล้วนะงั้นมีศีลห้าไว้ก่อนแล้วปล่อยให้จิตใจเขาฟุ้งซ่านไปก็ได้แล้วก็รู้ว่าเขาฟุ้งปล่อยให้เขาโกรธก็ได้เรารู้ว่าเขาโกรธปล่อยให้เขาโลภขึ้นมาก็ได้เรารู้ว่าเขาโลภเขาเป็นยังไงตามรู้ลงไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เห็นว่าเออจิตมันไม่เที่ยงนี่嘛 ม, มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเราบังคับมันไม่ได้ แล้วถ้าเรารู้สึกว่าจิตไม่มีกําลังที่เราท่องพุโทโธในระหว่างชีพจังหวะเนี่ยเราก็องพุโทโธไปใ ช, ใช่แต่องั้นทําสมถะ<อ>เวลาจิตเราไม่มีแรงที่จะรู้กายรู้ใจแล้วเราก็มาอยู่กับสมถะอยู่กับพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธแต่เวลาขับรถอย่าพุโทโธนะเวลาขับรถอย่า ก, กำหนดลมหายใจอย่า ก, กำหนดท้องฟองยุบนะเนื่องบางคนกําหนดเก่งนะกําหนดมากคนติดเคยชินมองเห็นรถข้างหน้ากําลังจะชนแล้วยังเห็นหนอเห็นหนออยู่ตายนะ ไม่ได้นะต้องปราดเปลียวต้องว่องไวรู้สึกว่าชีวิตเออจิตไม่มีกําลังบ่อยอ่ะค่ะคิดไปเองตอนนี้ ม, มีไหมก็ตอนนี้มีกําลังแล้วก็ดูไปนะวิธีจะให้จิตมีกําลังก็มาที่นี่บ่อยๆนะหรือฟังซีดีหลวงพ่อบ้างนะบางทีมันไม่รู้อะค่ะว่าตอนนี้มีหรือไม่มีอะค่ะ อ, อ้าวเหรออยู่ที่ไหนอะบ้านอยู่ไหน อยู่กรุงเทพอะอยู่กรุงเทพค่ะเนอนเป็นสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุรวัตไปนทน<า>ที่เลี้ยงลูกอยู่นนะพ่าลูกอ่อนเนอะสำมือไหลพ่าลูกอ่อนนะ<า>รงกระบีของอาจารย์สุรวัตรมีกระบวนท่าเดียวนะคือรู้แต่คำว่ารู้นี่นะคือกระบีท่าเดียวที่แทงคอหอยทุกครั้งเลยนะแทงเข้าเป้าทุกทีถ้าอะไรเกินจากรู้นี่นะคือลำป่อไปป้อมาแล้วไม่เข้าโจมตี ไ ป, ไปรวมกลุ่มกับเขาเรียนไป อ, อยู่ที่ห้องสมุดบ้านอารีเขาสอนกันวันเสาร์กีนะ่โมงถามแปมดูถามเคยเคยไปแล้วค่ะเหรอเออไปเรียนมาบางทีมันไม่รู้ว่ารู้อยู่หรือเปล่าค่ะตอนเนี้ใช้ได้รู้สึกไหมจิตใจเราเดี๋ยวนี้กับจิตใจเราเมื่อก่อนไม่เหมือนกันดูออกบ้างไหมบ้างค่ะนั่นแหละดีขึ้นแล้วเหลอแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองไปแวบหนึ่ง ลืมกายลืมใจเรียกว่าขาดสติอ้าวว่าไงคือตอนนี้รู้สึกยังเพ่งอยู่ใช่ไหมคะนิดหน่อยหนูจะถามว่าคือคือหนูก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาบ้างก็คืออยากจะท้าร่าว่าที่หนูปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคะ่ะถูกต้องนะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วหลวงพันทิปไปได้ไงไล่ไปถึงแถวที่สามแล้ว มาสายนะคะพอดีมาสายนะมีความผิดนะเอาว่าไงก็คือหนูจะถามนิดนึงนะค่ะเวลาตอนกลางคืนนะคะยังเมื่อคืนดังให้เต่ดังนิดตอนกลางคืนนะคะเมื่อคืนเนี้ยค่ะคือตอนที่มันใกล้จะหลับแล้วอะค่ะแล้วอยู่ๆอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาที่ที่ตัวเราอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเพ่งหรือมันไม่รู้จะมันมันตอนนอนมันจะเพ่งได้ยังไงหนูก็ไม่ทราบแต่ว่าหนูว่ามันไม่ใช่การเพ่งมันเหมือนมันมีอะไรเข้ามาแล้วแบบ มันทำให้หนูแบบกลัวมาก อ, มอะไรเงี้ยแล้วลก็เลยต้องนอนเปิดไฟเลยอะค่ะแล้วก็มีเทคนิคอย่างหนึ่งรู้ไหมคือโดยธรรมชาติของจิตเองเวลามีอันตรายเนี่ยมันจะรวมเพราะงั้นเวลาสัเรากำลังนอนใกล้จะหลับแล้วผีหลอกเราผีจะมาขี่คอเราบีบาาค อ, อมีวิธีการที่พิเศษมากเลยนะหลับไปเลย <laughs> อ้าวไม่ได้พูดเล่นนะไม่แต่หลับปุ๊บเขาก็เข้ามาอีกอะค่ะมัน ม, มันจะทำให้เราเกรงเวลาถ้าเราไม่ไปกลัวเราปล่อยเลยตายก็ตายช่างมันตอนนี้ฉันจะนอนเรื่องตายาไว้ทีหลังวางใจอย่างนี้นะไ ม, ไม่ได้พูดเล่นนะเคยลองมาแล้วด้วย <c oughs> คือพอปล่อยนะจิตมันจะรวมเองพอมันรวมวับลงไปมันจะรวมลึกลึกกว่าคนที่นอนปกตนะิมันเหมือนการที่จิตรวมเข้าฌาน ล, ลึกเลย จิตเราจะเปลี่ยนเลเยอร์กับผีอยู่คนละระดับกันแล้วผีจะมองไม่เห็นเราแล้วเราก็มองไม่เห็นผีนะแต่แต่ถ้าสมมติมันเป็นนิสัยอันนึงคือว่าพอมันมาปุ๊บหนูก็จะต้องร้องก่อนคือจะต้องเรียกให้คนมาปลุกหนูหรือว่ามาทําอะไรสักอย่างแม่แเพราะว่าเรารักตัวเองเกินไปที่หลังใจถึงถึงหน่อยมันทำไมต้องมาถึงตอนตอนตอนที่แบบผีจะอะไรเงี้ยมว่าขนลายเกินไปว่ะเป็เวลาหากินของผี เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจิตครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยเป็นจิตที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยเป็นจิตที่ออกไปรู้ออกไปเห็นอะไรได้เพราะฉะนั้นเวลาคนที่เล่นสมาธินะมันจะทรงความรู้สึกไว้ในระดับหนึ่งไม่ไม่ลึกลงไปไม่ไม่เลื่อนหลุดไปนะแล้วเอาจิตตัวเนี้ออกไปรู้ไปเห็นแล้ว คือก่อนหน้านั้นหนูสวดมนต์นิดหน่อยเองค่ะไม่ได้สวดเยอะแล้วนั่งสมาธินหนูก็ไม่ได้นั่งเลยหนูสวดมนต์อย่างเอาใหม่มนะผีมาก็บอกผีไปเธอจะหลอกก็หลอกไปจะหักก็หักคอไปฉันจะนอนทําใจถึงๆนะแล้วจิตมันจะรวมแต่ถ้าเรากลัวเนี่ยจิตไม่รวมพอจิตรวมปุ๊บนะผีก็ผีเห่ออยู่ไม่ไหวแล้วพ่อผีก็มาไม่ไหวนะ ไม่ต้องกลัวลการแผ่เมตาก่อนก่อนที่จะนอนเงนี้ยมันจะช่วยไหมคะไม่ช่วยผีจะยิ่งมาใหญ่ใส่พระก็ต้องแผ่ส่วนบุญนะไม่ใช่แผ่เมตตาแผ่ผิดอันนะ่ะแล้วบางทีใส่พระนี่ก็ไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมคะ <laughs> ผีไม่กลัวพระนะผีนะ่ะไปอยู่ในพระเยอะแยะเลยพระพุทธรูปนะมีผีเข้าไปอยู่เยอะแยะไป ตกใจไหมรู้สึกที่พึ่งสุดท้ายของเรา <c oughs> คลอนแคลนแล้วท่านถึงสอนไงที่พึ่งของเรานะคือพระรัตนตรัยไม่ใช่พระพุทธรูปนะ <c oughs> ที่พึ่งของเราจริงๆคือธรรมะเราต้องฝึกใจของเราจนใจของเราพึ่งตัวเองได้ถ้าใจเราพึ่งตัวเองได้ก็คือเรามีที่พึ่งแล้วจ <c oughs> นใจเราเป็นอันเดียวกับธรรมะใจเราอันเดียวกับพระสงฆ์ ก็คือถ้าหนูกลัวมากมาคือหนูก็ให้ทนไปเลยใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวมากมากนะรู้ว่ากลัวไปกลัวแบบหัวใจมันเต้นแรงมากดูหัวใจเออเธอเต้นแรงแล้วเธอจะใกล้หยุดหรือยัดยยงดูไปงี้<ข> อ, อยากากลัวเขาจะเข้ามาเนี่ยใจหนูมันจะแบบร่างกายหนูจะแบบแสดงออกชัดเจนมากใจมันจะแบบแหรแหล ะ, รหละสรุปแล้วอย่าไปกลัวมันนะเป็นยังไงก็เป็นหลวงพ่อเคยเจอนะอยากฟังไหม <laughs> อยากฟังให้รู้ว่าอยากนะ มีข่าไปวัดหลวงปู่คาพันธ์ไปวัดหลวงปู่คําพันธ์ที่ปลาปากนะครพนมตอนนั้นไปเผาศพหลวงพ่อชาก็นั่งรถไปนะไปนอนพักที่วัดหลวงปู่คำพันธนะ่ะคิดผิดห่างกันตั้งหลายชั่วโมงไปถึงตีสองเนะี่ยตีสองพระท่านก็ให้ไป น, นอนที่ศาลาใหญ่นอนกำลังนอน สบายสบายนะแหมแผ่นดินกระเทือนมาเลยตึ้มตึงตึง ม, ม, มาเลยไอ <c oughs> ตัวนี้น่ากลัวไม้ม <c oughs> <c oughs> เห็นมันเดินขึ้นกระดมาแล้วโอ้มันเราน่ากลัวนะตัวนี้ช่างมันจิตรวมเลยมันหายไปเลย <c oughs> เพราะงั้นเวลาจะนอนแล้วตกใจกลัวนะช่างมันตั้งใจว่าตอนนี้เป็นเวลานอนแล้วไม่ใช่เวลากลัว <c oughs> มันจะหักคอก็ช่างมันเถอะขอนอนให้สบายก่อน ถ้าใจถึงถึงอย่างนี้นะใจมันจะรวมเองไม่เอาแล้วพอแล้วเวลเดาเรื่องผีไม่เอาถ้านเะอาถกต่อไปอ่ะทิปทันทิปพันทิ ป, ทปเราพูดเรื่องผีแล้วต า, สาใสเชียวนะพอดีจะกลับไปหลวงพ่อว่าไม่ต้องไปแต่งจังหวะ แ, แล้วก็เลยส่งการบ้านหลวงพ่อค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าให้ตอนแรกคือให้ไปดูมาว่าสภาวะธรรมมากกว่า อาจจะมากกว่าร้อยก็ไปดูได้ร้อยอะไรนะอะไรนะสภาวะ time ที่ไปดูอะค่ะอารมณ์ความรู้สึกอะที่บอกว่ามากกว่ามากกว่าร้ออาจจะเป็นร้อยห้าสนี้ได้ร้อยยีิบสอง่าะค่ะหลวงพอ่อแล้วก็ลืมไปคำเดนว่าถ้ามีความรู้สึกมันจะดับความรู้สึกมันจะดับแต่มันเยอะมากก็ไม่ทราบก็เยอะออนะหัดดูไปเรื่อยๆคแล้วก็การวางใจให้เป็นกลางคือหลังจากนั้นหลวงพ่อ บ, บอกว่าให้บีให้แบบทําต่อไปนี้ดูอะไรก็แล้วแต่ให้ให้วางใจให้เป็นกลางเ อ, อก็ มีหลายครั้งที่เวลาเวลาขึ้นรถอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาคนขับรถอย่างเงี้ยเปิดเพลงแล้วน้ำตามันจะอินมากแต่ก่อนนี้ค่ะน้ำตามันจะไหลค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเปิดให้ตายก็ไม่ไหลหลวงพ่อคือเหมือนกับมันมีมันมีเหมือนกาแพงแก้วหรือกำแพงอะไรก็ไม่แนะ่ ก็คิดาตอนแรกคิดว่าอย่างงั้น <Ừ. S 1> เหมือนกันก็เลยปล่อยใจมันปล่อยไม่ได้นานหลวงพ่อมันก็รู้สึกตัวเป็นทิพย์รู้สึกไหมขนาดนี้ยินไปแล้วอ่าเล่าต่อกเก่งขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้อ้าว่าไปแล้วก็ตอนนี้เดินจงกรมแล้วก็มีเวลาในการเดินจงกรมมากขึ้นภาวนามากขึ้นนะคะ<ๆ>ก็เดินจงกรมไปมี ม, มีมีครั้งที่อาทิตย์ที่ผ่านมาฮะหลวงพ่อก็กําลังเดินจงกรมอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาเนี้ยนะคะบายๆก็ bye bye. หลวงพ่อจะจะได้ยินหลวงพ่อพูดว่าใจไม่ใจจิตเนี่ยไม่ใช่ของเรากายก็ไม่ใช่ของเราปุ๊บเนี่ยมันไปข้างหน้าแล้วหนูยังอยู่นี้เลยหลวงพ่อ ม, มันออกมาเองเป็นตัวใสๆ อ, อะค่ะก็เลยนึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราคงตาฝาดไปไหนลองกลับไปตรงนั้นใหม่มันไปไม่ได้แล้วหลวงพ่อมันจงใจมันไม่ไปเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดนิมิตขึ้นเกิดสมาธิ แล้วก็เลยบอกหลวงพ่อว่าการวางใจเป็นกลางเนี่ยส่วนใหญ่ที่ที่ที่ที่ทดูคือมันจะหลงไปทางตามากแต่หลงไปทางตามากแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าฟังแล้วฟังแล้วก็แบบหลงไปเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วก็ช่วงพีเลียดในการเทียวหลงแต่ก่อนเนี้ยอู้ยาวเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะกระชั้นกระชั้นกระชั้นม า, ออมากขึ้นหลวงพ่อฝากเพิ่มนะพันทิพย์คําว่าเป็นกลางเนี่ยไม่ใช่กลางเราะบังคับแต่เป็นกลางเพราะรู้ทันความไม่เป็นกลาง เพราะงั้นใจเรากระทบอารมณ์เนี่ยปุ๊บถ้ามันเป็นกลางก็รู้ว่าเป็นกลางถ้ามันยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นกลางแล้วให้รู้ว่ามันยินดียินร้ายทันทีที่รู้ว่าเขายินดียินร้ายนะความยินดียินร้ายดับมันจะเป็นกลางของมันเองนะเพราะงั้นเราเป็นกลางเพราะรู้ทันความไม่เป็นกลางเราหลุดออกจากความปรุงแต่งเพราะรู Dil ้ทันความปรุงแต่งหลุดออกจากโลกของความคิดเพราะรู้ว่าหลงไปคิดอะไรเงี้ยให้เราค่อยรู้ไปเรื่อย ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ติดไม่คล้องถ้าไม่รู้ก็ไปติดคล้องอยู่ยังยังมีความสงสัยเรื่องความเป็นกางแต่ว่าก็รู้ไปอะค่ะรู้นะรู้ไปพ่อเจ้าคะตอนนี้ก็อาการตื่นเต้นเกิดขึ้นมาอีกบ้างแล้วค่ะตอนแรกตอนเช้าก็ยังรู้สึกเบาเบเสร็จแล้วตอนที่เริ่มไล่มาก็เริ่มตื่นเต้นตอนหลวงพ่อเล่านิทานก็เริ่มเริ่มจะเบาลงทีนี้ก็มาตื่นเต้นนะจ๊ะพี่ดีแล้วคอรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะคะ ลองเปลี่ยนทิศทางบ้างไม่ให้นึกถึงอ่ะหมอส่งไปให้คุณหมอกราบนมัสการ์ค่ะตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเบาๆสบายสบายค่ะคุณหมอรู้สึกไหมปีหนึ่งเนี้ยจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะใช่ค่ะดีแล้วนะค่อยเข้าใจการปฏิบัติแล้วสบายขึ้นค่ะบางช่วงมันก็เสื่อมอย่างที่หลวงพ่อกล่าวไว้ถ้าเสื่อมแล้วอย่าตกใจค่ะเสื่อมแล้วให้เป็นกลางกับความเสื่อม หนูก็ไม่ตกใจค่ะแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าเออตอนนี้เราเรากําลังเครียดมากจิตเป็นอกุศลอยู่นะคะให้รู้ไปงั้นค่ะรู้มันคงยังสติมันคงยังตั้งไม่ค่อยดีมั้งคะมันก็ไม่ขาดะนะคะหนูต้องอาศัยเปิดเทปธรรมะหรือว่าอา่านหนังสือธรรมะนี่จิตตรงนี้เป็นกุศลที่กําลังยังไม่แรงต้องอาศัยการโน้มน้าวชักจูงถ้าจิตเป็นกุศลมีกําลังแรงเกิดขึ้นเองปั๊บขาดสะบั้นเลย เราจะบังคับให้จิตเกิดขึ้นมาเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าทีเดียวนะมันไม่ได้ทุกทีแล้วก็ขออนุญาตแจกซีดีธรรมะหลวงพ่อด้วยนะคะช่วงนี้หนูก็แจกไปเป็นร้อยแผนะะ่นแล้วค่ะได้ได้ <c oughs> แจกได้ห้ามขายเท่านั้นแหละแต่ขายก็เจ๊งนะเพราะคนเขารู้ว่าแจกฟรี เ, เมื่อกี้ใครยกมือ 85, 85. เบอร์แปดสิบห้าปดสิบห้าอุยมก่อยก็ได้ กลับนมัการพระอาจารย์นะครับผมมีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติที่อยากจะกลับเปลี่ยนได้อาจารย์หน่อยคือในสภาวะที่จิตมันเกิดสมาธิแต่ว่าเรารู้สึกตัวอยู่นั้นเมื่อเราตามรู้อยู่ในขณะที่ว่าจิตเป็นสมาธินั้นเนี่ย ถ, ถ้าจิตมันมีสมาธิอยู่นานแล้วเราตามรู้อยู่อย่างนั้นมันเป็นการเพ่งจ้องหรือเปล่าครับ มันอยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราไปเพ่งจ้องเมื่อไหร่มันจะแน่นๆขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นสมาธิใจมันรวมแล้วสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ใจมันจะเบาเาสบายสังเกตที่ใจเราถ้าถ้าถ้ามันสบายอยู่นานๆนี่มันจะติดสบายไหมครับแบบนี้ถ้ารู้ทันว่าสบายนะแล้วก็เกิดความชอบขึ้นมารู้ว่าชอบอย่างนี้ไม่ติดมันอยู่ที่เรารู้ทันกิเลสที่เกิดในใจไหม ถ้ารู้ไม่ทันกิเลสพอมันนิ่งๆิ่งว่างว่าสบายเราชอบเราไม่เห็นนะอันเนี้ยติดเราะงั้นเรารู้รู้ที่ใจเราเออมีอีกข้อหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือในขณะที่จิตมันเป็นสมาธิในบางครั้งเนี่ยมันจะมีธรรมะบางอย่างขึ้นมาสอนตัวเองได้ใช้ได้ไอ้ธรรมะที่ขึ้นมาสอนตัวเองนั้นเราจะรู้ได้ยงังไงตัดสินได้ยังไงว่าอันนั้นไม่จะเกิดจากความคิด หรือว่ามันเกิดขึ้นมาจากการที่มันผุดขึ้นมาเองเราเราไม่สนใจตัวนั้นนะจริงๆแล้วไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดในขณะที่เราทําสมาธิรู้ระวางรู้ระวางแต่บางครั้งเราภาวนาแล้วเราติดขัดอยู่ตรงเนี้ยไปต่อไม่ได้มีธรรมะผุดขึ้นมาจากใจเราสอนก็มีบางทีเห็นเหมือนครูบาอาจารย์เห็นเหมือนพระพุทธเจ้ามาสอนก็มีความจริงใจเราถ่ายทอดขึ้นมาเอง พอทำทำที่เขาถ่ายทอดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันถูกต้องตรงที่เรากําลังติดขัดอยู่นะมันจะหายติดขัดทันทีจุดนั้นจะผ่านไปเลยแต่บางครั้งกิเลสมันก็แอบถ่ายทอดธรรมะให้ฟังเหมือนกันมันเจอด้วยการคิดเข้าไปหน่อยๆ อ, อะไรเงี้ยหรือไม่ก็สร้างขึ้นมาเองเลยนะสอนให้ออกนอกลู่นอกทางเลยงั้นให้เราระมัดระวังดูว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ยสอดคล้องกับคาสอนของพระพุทธเจ้าไหมถ้าสอนอะไรออกนอกลู่นอกทางอย่าไปเชื่อมัน อย่างบางคนนะจิตมันสอนขึ้นมาโอ้พ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มีจริงหรอกพระพุทธเจ้าไม่มีจริงหรอกล้วนแต่ของสมมุติทั้งหมดเลยโลกนี้เต็มไปด้วยของสมมุติไม่ต้องไปยึดถือของสมมุติเลยนะเพราะงั้นต่อไปนี้ไม่ต้องไหว้พระไม่ต้องไหว้พ่อไหว้วแม่แล้วเนี่ยอย่างนี้กิเลสมันหลอกเรามันถ่ายทอดขึ้นได้นะเพราะงั้นจริงๆแล้วถ้าจะเพื่อความปลอดภัยไม่ว่ามันถ่ายทอดอะไรนะรู้ระวงังรู้ระวังไปด้วยครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้จริง อ่ะเบอร์85โทษ น, นะโยมเมื่อกี้โยมส่งไม่โยมรู้สึกไหมเราเผลอไปเลยใจเราวิ่งไปด้วยใช่ใช่ต้องอย่างนี้เนี่ยจิตตรงนี้ดีนะจิตขนาเนี้ยรู้สึกไหมโล่งๆจิตขนาดนี้ไม่ได้บังคับขนาดนี้เริ่มบังคับแล้วดูออกไหมเริ่มขมแล้วขณะจิตเนี้ยเลิกซะอย่าขมไว้เนี่ยขมแล้วก็ใจลอยแวบหนึ่งทราบไหมใจหนีไปรู้ว่าใจหนีไปไม่ห้ามมันหรอก ไม่ใช่ว่าห้ามเผลอนะเผลอก็ได้แต่เผลอเรารู้เอาให้คอยรู้ไปอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นเลยเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนถึงจุดหนึ่งปัญญาจแจ้งเลยมันไม่ใช่เราได้โสดาแล้วชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วมาสักการลงก็ช่วงนี้ก็ยังมีฉันท์าในการปฏิบัติค่ะก็ตั้งแต่ตื่นนอนก็เห็นเลยค่ะว่าความคิดมันไหลมาเหมือนรถไฟ เป็นขบวนขบวนแต่ทุกครั้งที่เราขยับหรือว่ากระดุกกระดิกนี่คือมันก็หลุดออกมาเป็นระยะแล้วมันก็ไหลเข้าไหาออกอย่างนี้ค <c ười> ่ะก็คือก็ดูจิตตัวเองตั้งแต่แปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็รู้สึกว่าเราดูได้ทั้งวันยกเว้นว่าที่ต้องต้องไปคิดหรือว่าตอนทํางานอย่างตอนก่อนนอนเงี้ยค่ะก็อย่างเมื่อคืนนะคะมันไม่ค่อยง่วงค่ะก็ดูกายนอนดูกายดูลมมันก็ไหลเข้ากับความคิดแล้วก็ดูลมดูกายมันก็จะเห็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ แล้วก็อย่างเสาร์วันเสาร์ที่แล้วอะค่ะก็ไปเดินจงกรมอยู่ที่วดดัดอะค่ะยกไม้หน่อยอย่างตาวันเสาร์อะค่ะไปเดินจงกรมอยู่ที่วัดอะค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนจิตมันเป็นกุศลมั้งคะก็คือสิ่งที่เห็นเด่นก็คือความรู้สึกทางใจเห็นกายก็เหมือนเราสักแค่เอาไว้แล้วลึกรู้แล้วก็เห็<ม>นที่ใจที่มันไหลเข้าไปอยู่ในความคิดแต่ว่ามันก็คือเป็นแค่เงาว่ บ, วบออกมามแต่ว่าสภ<ม>าวะที่เด่นก็คือความรู้สึกทางใจกับไอตัวที่รู้คือมันเห็นเลยว่ า, วาใจมัน มันเหมือนทานน้ำผู้มันมีความสุกผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะอะค่ะคือมันเด่นกว่าอันอื่นคือมันเด่นกว่ากายแล้วมันก็เด่นกว่าความคิดนะคะแล้วอย่างเวลาที่หนูมองออกไปตรงถนนหรือว่าต้นไม้คือข้างนอกกับข้างในไม่มีน้ําหนักเห็นเท่ากันอะไรนะพูดยกใหม่นิดนึงไม่ต้องพันมมือยกใหม่ค่ะคืออย่างเวลามองออกไปตรงถนนกับต้นไม้ก็คือเห็นเป็นสภาวะที่เหมือนไม่มีน้ําหนักต้นไม้กับข้างในใจหรือว่า มันไม่เห็นอะไรอะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแต่ว่าตรงนี้ก็คือรู้สึกว่าเหมือนมันเห็นแบบนี้ตอนที่มาอยู่วัดหลวงพ่อแล้วทีหนึ่งเข้าใจตัวเองว่ามันคงเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมมันช่วยใจเรามันเลยเหมือน เ, เกิดกุศล<ร>สุรู้สภาวะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะใจเราพ้นความปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นเราก็เห็นของจริงเยอะขึ้นอย่างจริงๆสิ่งที่เรามองเห็นไม่ได้มีน้ำหนักอะไรในใจเรา ใจเราไปแต่งขึ้นมาก่อนเราถึงจะมีน้ำหนักว่าอย่างเห็นแลนี่เพื่อนเราเนี่ยก็มีน้ำหนักแล้นี่ศัตรูเรานี่มีน้ำหนักนั้นอยู่ที่ใจนี่เองยังมาอยู่กับหลวงพ่อเราคอยมีสติรู้ทันสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นในจิตใจเรื่อยๆนะพอมันไปรู้ไปเห็นไปอะไรเนี่ยมันจะเห็นสภาวะจริงๆสภาวะจริงๆก็คือรูปที่ตามองเห็นไม่มีน้ำหนักทางใจเหตุแม้ขนาดที่ตามองเห็นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ด้วยไม่มีกุศลหรืออกุศลด้วย เพราะอะไรเพราะาจิตที่ไปรู้รูปเป็นวิบากจิตเฉยๆไม่มีกุศลอกุศลอะไรไม่มีสุขมีทุกข์อะไรเฉยๆอย่างนี้เรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นหรือเปล่าคะใช่ใช่แต่ว่าเห็นสักว่าเห็นต้องมามันต้องเห็นอยู่ในตัวเองด้วยนะไม่ใช่เห็นแต่คนอื่นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไอ้นี่เป็นคนอยู่คนเดียวอย่างี้ไม่ได้นะต้องข้างในข้างนอกเนี่ยเสมอกันที่ฝึกอยู่ใช้ได้ดีละจิตป็นเดินปัญญาได้ละเอียด ค่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือน เ, อเรามีจิตหรือว่าเรามีชีวิตอยู่แค่เป็นขณะขณะตอนที่ไม่หลงเท่านั้นเองอะค่ะปรับนิดนึงแต่เ น, นี้ยจ้องแรงไปลดการจงใจรู้สภาวะลงนิดนึงพอเราเห็นสภาวะละเอียดเนี้ยเรายิ่งสนใจเรายิ่งจงใจไปดูยิ่งละเอียดมากขึ้นมากขึ้นนะแต่ใจจะถลำนึกออกไหมใ จ, จไม่ตั้งมั่นจริงค่ะอย่างบางทีอย่างเวลาฟังอย่างเงี้ยคือพยายาม พยายามสังเกตดูเอ๊ะทำไมฉันไม่เห็นการดับเกิดขึ้นคือเห็นใจไปหลายไปคิดไหลายมาดูกายแล้วมันก็ไหลไปคิดมื่อยู่เนี้ยแต่มันไม่เห็นช่องว่างเล็กๆที่หลวงพ่อเคยคือมันมองวิหิงไม่เห็นนะเพราะใจมันสลัมลงไปมันเลยไม่เกิดปัญญาค่ะไม่เห็นความเกิดดับที่แท้จริงถ้าเห็นเกิดดับจริงๆนะจะมีช่องว่างมาขัา้นช่องว่างเล็กๆขั้นรับขอบพระคุณค่ะ ตอนนี้เวลาคิดนะคะก็จะเห็นว่าคิดแล้วมันก็ดับไปแล้วก็เวลาเดินเดินระหว่างวันเวลาเบรคจากทางานนะคะเดินไปเข้าห้องน้ำก็เดินเดินพอรู้ตัวว่าหลงก็รู้สึกตัวขึ้นมานะคะ mm hmm. แล้วก็เวลาแบบอยู่เฉยๆอะคะ่ะจะเห็นอย่างเมื่อคืนเห็นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็หายไป mm hmm. แล้วกเกิดขึ้นแล้วก็หายไป mm hmm. ก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันคือจิตปรุงแต่งหรือว่าไม่ไมันเป็นขันมันเป็นทําหน้าที่ของมันอ่ะมันปรุงแต่งของมันเองเรามีหน้าที่แค่ไปรู้มันเข้าเราก็เห็นมันเกิดดับไปตามธรรมดาของเขาแต่เวลาเห็นนะเห็นเล่นๆนะอย่าอย่านี่เห็นจริงจังไปมันถลําลงไปเห็นดูสบายของคุณใช้ได้ละดูสบายๆอ้าวอุ้ยส่งกันบ้านยกมือไว้ หลวงพ่อเรียกเลยตกใจวูบลงไปเลยคครรัับบแต่ว่าปกติก็รู้สึกว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยเมันก็มีมีสติเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะไปนะครับมีเจริญมีเสื่อมเห็นเห็นคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยอย่าไปกดมัครับยังกดอยู่ดูเล่นๆกดเพราะว่าตกใจวูบนั่นแหละเลยไปกดไว้เมื่อกี้ไม่กดนะครับกีต้าร์เป็นไง เห็นจิตแบบมันมันเหมือนสวิตไฟอะค่ะหลวงพ่อม yeah. ันเปิดเปิดปิดปิดอย่างเงี้ยครเออมันต้องอย่างนั้แหละเนี่ยอู้นเมื่อเกี้ดีละผอสบตาหลวงพ่อเลยไม่ดีนะมันเปิดปิดเปิดปิดอยู่แค่แหละเหมือนระบบดิจิตอลนะมีศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้มีอยู่แค่นี้เองเสร็จแล้วก็จากตรงที่เผลอนะไปสร้างโลกได้เยอะแยะเลย ลงขึ้นไปคุณวิสิตกันไงเช่นกลาบนวมณฑ์นวมณฑ์สการครับขออนุญาตครับคือขณะนี้ปันปะปัญจะทำในตัวผมที่ลดลงไปบ้างไหมครับอะไรนะไม่ได้ยินปะปัญจะทำฮะลดลงไปบ้างไหมครับปะปัญจะทำลดลงแล้วคือรู้สึกผมยังชอบคิดนะฮะทิฏฐิีนรู้สึกยไอตัวนี้ห้ามไม่ได้มันสะสมอย่างนี้ข้ามภพข้ามชาติเลย อ๋อครับเราไม่ไปห้ามมันหรอกจากอย่างมานะนี่ไม่มีทางรถเลยใช่ไหมครับมันมีแต่รู้ทันแล้วดับเป็นขณะขณะครับรู้ทันนี้ผมพอใช้ได้มันเป็นนิโรธชนิดที่สอง่ะครับผมดับลงไปเพราะว่ามีสติไประลึกรู้เข้าไม่ใช่ดับด้วยมรกแต่ที่ถ้าพยายามปฏิบัติทำภาวนาไปเรื่อยก็จะลดละไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคือเราภาวนาเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องลดละกิเลสะไรนะครับผม ภาวนาเพื่อเรียนรู้ความจริงของขันไปเรื่อยๆตั้งหลักแค่นั้นพอละที่เหลือถ้าเขาเข้าใจความจริงแล้วเขาลดละของเขาเองเราไปลดละให้เขาไม่ได้ครรบกรรมขอบพุกุรั บ, บ, บ, บ, บเพื่อตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะฝากพวกเราไว้ตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาจริงๆคือสัมมาทิฏฐินั่นเองความเห็นถูกความเข้าใจถูกเห็นถูกเข้าใจถูกในความเป็นจริงของกายของใจนี้ พอเห็นถูกเข้าใจถูกแล้วมันจะไม่ยึดกายไม่ยึดใจแล้วมันก็จะพ้นทุกข์จริงๆถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือเราเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยคือตัณหาคือความอยากที่จะให้กายให้ใจมีความสุขเนี่ยจะดับไปเองสมุทัยคือตัณหาหรือความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกข์เนี่ยจะดับเองงั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์ละ ตัณหาจะดับอัตโนมัตินั้นรู้ทุกข์แจมแจ้งนะสมูทัยถูกละอัตโนมัติทันทีที่สมูทัยถูกละจิตใจไม่มีตัณหาอยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์เนี่ยความดิ้นรนปรุงแต่งในใจจะไม่มีใจจะหยุดความปรุงแต่งหยุดการทํางานสภาวธรรมที่ไม่ปรุงแต่งพ้คนความปรุงแต่งนั่นแหละคือนิโรธหรือนิพพานเราก็จะประจักษ์นิโรธหรือนิพพานในขณะนั้น การรู้ทุกข์ละสมุทยัยจนกระทั่งแจ้งนิโรธขึ้นมานี่แหละเรียกว่ามักนะงั้นหน้าที่ของเรารู้กายรู้ใจไปจนรู้แจ้งกายใจนี้ทุกวนล้ว น, วนตันหาจะดับเองไม่เกิดขึ้นตันหาไม่เกิดขึ้นใจก็ไม่ถูกผลักดันไม่ถูกดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจก็ไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิโรธเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองนิพพานไม่มีเข้ามีออกนะ ไม่ใช่ว่าจะทําสมาธิเข้านิพพานาหมดเวลาแล้วออกจากนิพพานไม่ใช่ลงหนังนะวิ่งเข้ า, าวิ่งออกได้ขออนุญาตถามอีกสักข้อนะครับถ้าเกิด น, นิพถานิพถายานนะครับความเบื่อหน่ายในทุกข์ในสุขถ้าเกิดยานตัวนี้ขึ้นมานี่ทําให้เราไม่อยากมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับไม่สิไออย่างนั้นเป็นโทสะ ไม่อยากมีชีวิตอยู่เป็นโทสะนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นกลางมันจะเกิดอาการเซ็งไหมครับมันมันจะเห็นมันหลายหลายชนิดนะบางพวกเนี่ยพอมันมันเบื่อรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเบื่อนะมันไม่รู้สึกเซงแต่มันรู้สึกจืดไม่เหมือนกันนะมันรู้สึกโลกนี้จืดมันไม่มีอะไรมาเย้ายวนให้เรากระโดดลดเต้นแต่ไม่ใช่เซงนะเซ็งเป็นโทสะแต่ว่ามันเห็นโลกนี้จืดสนิดเลย ไม่สามารถเย้ยยวนดึงจิตดึงใจเราให้ให้ลดแล่นไปได้นี่ตรงนิพิธายานก็ตามอาธินวายานพยาตูปัฏฐานญยานเนี่ยในโสรถยานไปเรียงเป็นสามยานแต่ในพระอภิธรรมปิดกกลับสอนไม่เหมือนอย่างนั้นอภิธรรมปิดกกับบอกว่าสามยานเนียเหมือนกันด้วยอัฏฐะต่างกันด้วยพยัญชนะเอาแค่นี้ก็แล้วกันเพราะคุณวิสิตรู้เรื่องแต่ว่าเดยกคนอื่นงง อาว่าไปว่าไปมาถึงวันนี้ก็มาครบหกวันแล้วนะคะออมีความสึกว่ า, าใจตั้งมั่นขึ้นนะคะอถูกต้องรู้สึกแมมใจสว่างขึ้นใจโล่งโล่งรู้สึกไหมออนั่นแหละใจมันเริ่มมีสติเห็นไม่ธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะไม่ธรรมดานะไม่ใช่หลวงพ่อไม่ธรรมดานะธรร ม, มะอ่ะมันไม่ธรรมดาหลวงพ่อธรรมดาที่สุดเลย เกิดแก่เจ็บตายนะธรรมะที่ถ่ายทอดให้ฟังของพระพุทธเจ้าสอนมาไม่ธรรมดาหรอกฟังเรื่อยๆนะจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มารู้กายมารู้ใจอัตโนมัติรู้สึกไหมมันเริ่มเห็นกิเลสอัตโนมัติแล้ค่ะอตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นเออนั่นแหละตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นดีเรียนหวันได้แค่นี้เก่งนี่ทางนี้ยกมือนะทางนี้เอาเบอร์หกสบห้า กร่าวณามาศการหลวงพ่อครับคือผมไม่รู้ว่าจิตผมตื่นหรือยังอ่ะครับอยากรู้ไหมอยากรู้ครับใจถึงไหมถึงครับเอเมื่อกี้ตื่นตอนนี้ไม่ตื่นอ๋อครับรู้สึกไหมตอนนี้แข็งทื่อๆไปแล้วใช่ครับไม่อยังสั่นอยู่เลยครับเอ่ะนะเนี่ยแล้วเราไปคมมันนะให้รู้ไปนะใจสั่นเรารู้นะเนี่ยใจเราไม่ธรรมดาเราอย่าไปกดมัน ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นเต้นแล้วไปกดให้หายรเราจะไม่เรียนกรรมฐานเก็บกดโกรธรู้ว่าโกรธไม่ใช่โกรธบังคับให้หายโกรธมีราคารู้ว่ามีราคาไม่ใช่บังคับให้หายราคาตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไม่ใช่บังคับให้หายตื่นเต้นรู้สึกไหมที่ฟังหลวงพ่อเมื่อกี้มันตื่นขึ้นมาวับหนึ่งแล้วก็หนีไปคิดดูออไหมมีช่วงที่ตื่นวับขึ้นมานั่นแหละตื่นขึ้นมาที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้ว อ, อยา่าขี้เกียจนะขี้เกียจพวกภาวนาเป็นแล้วชอบขี้เกียจขี้เกียจแล้วเราจะเสียโอกาสยากนะที่จะได้ฟังธรรมะวันเวลาที่เราได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้ามีน้อยมากเลยเหราะนั้นถ้ามีโอกาสได้ยินแล้วรีบภาวนาคอยรู้กายก็ยรู้ใจเนี่ยใจลอยไปแล้วทราบไหมใจหนีไปแล้วนะให้รู้ว่าใจหนีไปไม่ห้ามไม่ใช่บังคับว่าห้ามหนี ใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมใจไหลไปอยู่ในโลกของความคิดให้รู้ว่ามันเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตะกี้ทื่อๆซึมๆอ่ะนะั้นหัดดูสภาวะนะหัดดูไปเรื่อยๆแต่ไปจำสภาวะได้แม่นจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้กราดมาสาหนงอค่ะคือไม่แน่ใจว่า เวลาอย่างมีอะไรที่แบบขัดใจค่ะยังมีใครปาดรถข้างหน้ายเงี้ยค่ะก็จะแบบรู้ว่าไม่พอใจอะค่ะแต่พอไม่พอใจปุ๊บก็กลัวว่าจะเบรกไม่ให้โกรธอะค่ะก็จะบอกว่าไม่ได้ห้ามให้โกรธนะเหมือนที่หลวงพ่อจะพูดตลอดอะค่ะ อ, อย่างนี้ถือว่าทําผิดไหมคะก็ยังคิดอยู่นะแต่ก็ยังดีค่อยๆสอนคุ่นไปแต่เหมือนแต่เหมือนกับมันสอนตัวเองเงี้ยค่ะเอาความคิดมาสอนตัวเองนี้คือจริงๆก็คือรู้อะค่ะว่าแบบมันยังคิดอยู่อย่างนี้ก็ยังใช้ได้นะ จะถือช่วงหนึ่งมันจะไม่พูดแล้วมันรู้โดยไม่พูดแล้วตอนนี้มันยังพูดแล้วที่ปฏิบัติทุกวันนี้ถูกต้องไหมคะลดความจงใจลงนิดหนึง่งจงใจแรงไปนิดนึงแต่บางทีระหว่างวันก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรน ะ, ะบางทีอาจจะเผลอไปเลยไม่รู้ตัวรู้อีกทีตอนแบบรู้นแล้วต้องนานานซ้อมทุกวันนะที่หลวงพ่อบอกอะ <c oughs> ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมหัดรู้สภาวะ <c oughs> นะต้องซ้อมนะสิบนาทีก็ยังดี <K an> ขอ10นาทีเท่านั้นแหล ะ, ะ <K an> ไม่ขอมากนะเดี๋ยวขอชั่วโมงสองชั่วโมงทนไม่ได้ขอแค่10นาทีเพื่อชีวิตของเราเองนะ <Okay. S 1> ถ้าภาวนาเป็นแล้วจะมีความสุขที่สุดเลยทุกวันนี้เราเอาเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเนี่ยไปทํามาหากินบ้างอะไรบ้างนะเพื่อหวังว่าจะมีความสุขนั่นเองแต่ว่าไอ้สนาทีเนี่ยเราจะนําไปสู่ความสุขที่แท้จริงบางทีเรายอมไม่ได้ใจถึงถึ ง, ถงนะซ้อมสินาทีก็ยังเอา ตามทุกวันหัดดูสภาวะอัเฟอร์8กราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะได้มีโอกาสอ่านหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้งของหลวงพ่อก็รู้สึกว่าเอวิปัสสนานี้ไม่ยากเลยเสร็จแล้วก็พยายามที่จะมาทำอย่างที่หลวงพ่อสอนก็คือให้รู้ว่าคิดหรือนึกซึ่งจะทำได้เยอะแต่ปรากฏว่าก็ทาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็มีหนังสือ บางเล่มก็เขียนว่าการที่เราจะรู้สึกตัวได้มากจะต้องนั่งสมาธิตอนนี้พอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยก็ไม่เคยสงบเลยก็จะรู้ว่ามันวิ่งไปวิ่งมาใจถลําไปถลํา ม, มาตลอดตอนนี้ไม่ทราบว่าวิธีการอย่างนี้ใช้ได้หรือเปล่าเจ้าค่ะต่อไปนี้นะนั่งสมาธิแล้วก็ดูใจที่วิ่งไปวิ่งมาถลําไปถลํา ม, มามันคือการหัดรู้สภาวะนะไม่ใช่หัดทําสมถะนะแต่ว่าอาศัยการนั่งสมาธินั่นแหละดูใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ต่อไปพอมันชำนิชำนาญมันจําได้แม่นเราออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยใจเราวิ่งไปวิ่งมาเราก็จะมองเห็นแล้วก็จะฝึกอยู่ในชีวิตประจาวันไดแ้แล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าใจตื่นหรื อ, อยังเจ้าคะก็ตื่นขึ้นเยอะแล้วนะแต่ตื่นเต้นด้วยตอนเนี้ยไม่ตื่นธรรมดาขอบพระคุณเจ้าคะ่ะใช้ได้นะที่ฝึกอยู่เอาคุณวุฒิบนกัตว์นับกบัการหลวงพ่อครับที่ผ่านมาผมคิดว่าผม เข้าใจได้เข้าใจในระดับหนึ่งใช่แต่ว่าจะมีอาการเผลอค่อน ข, ข้างบ่อยครับดีดนะจิตใจมีความสุขมากขึ้นครับดีดแล้วล่ ะ, ะข้างหน้าหน่อยข้างหน้าถ้าถ้าห่างห่างคูบาจารย์แล้วเมื่อมีมีความสงสัยหรือว่าติดขัดเราเราควรจะมีอะไรเป็นเป็นข้อสังเกตหรือเราต้องมีโยนิโสมนนสิการนะ โยนิโสมานัสิกาเนี่ยมันเป็นความแยบคายความฉลาดหรือความเฉลียวใจในการรู้ทันตัวเองสิ่งที่ช่วยเราในการปฏิบัติเนี่ยมีสองอันกาลยานามิตรคือครูบาอาจารย์ถ้าเราห่างกาลยานามิตรเนี่ยเราต้องอาศัยความช่างสังเกตของเราเช่นเราภาวนาแล้วเนี่ยผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วจิตเราเหมือนเดิมเปียบเลยถ้าเรามีโยนิโสมนสิกาเราจะรู้ว่ามันไม่ถูกหลักละ ทำไมมันมันมันเทียงอย่างเงี้ยมันต้องช่างสังเกตว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไหมโยนิโสมนสิการไม่ใช่คิดเหลวไหลโยนิโสมนสิการเนี่ยมันเป็นการแยกคายที่จะสังเกตที่จะพิจารณาสภาวะธรรมที่เราติดข้องอยู่ตอนนี้หรือที่กําลังดําเนินอยู่ตอนนี้ว่ามันอยู่ในร่องรอยอยู่ในลูทางที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าโยนิโสมนสิกานนี้สำคัญที่สุดเลย อย่างหลวงพ่อภาวนาเนี่ยหลวงพ่อ3เดือน4เดือนถึงมีโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์ทีหนึ่งสมัยก่อนนะรับราชการ่ะเก็บวันลาเก็บค่ารถไปถึงเวลา 3-4 เดือนมีทีหนึ่งใช่มมาคะวิสาขาอาสานหะนี่จำแม่นเลยใช่ไหมอีกช่วงหนึ่งก็ช่วงวันเกิดในหลวงช่วงนั้นได้เยอะหน่อยือวันที่10ต้องหาทางลาให้มิยงช่วงเวลาที่เหลือสังเกตตัวเองช่วยตัวเอง อย่างเราภาวนาแล้วมีแต่ความสุขทุกวันเลยว่ามันจะสุขอะไรนักหนามันต้องมีอะไรผิดลเะเนี่ยเราเร า, เรารู้ได้ยังไงว่าเราผิดดูไม่ออกว่าผิดตรงไหนต้องค่อยๆสังเกตว่าทํำยังไงถึงจะรู้ว่ามันผิดนะตอนตื่นนอนใหม่ๆ ห, หรือตอนออกจากสมาธิทันทีที่ออกมาเนี่ยให้รู้ลงไปที่ใจเลยถ้าใจมันไปคุ้นเคยที่จะทําอะไรผิดนะพอตื่นนอนปุ๊บมันจะเข้าไปช่องนั้นเลยไม่ทําอย่างนั้นเลยเพราะมันอยากปฏิบัติ แล้วมันคิดว่าไอ้ทำที่ผิดๆนั่นแหละรเรียกว่าปฏิบัติงั้นเราสังเกตเอาใช้ความสังเกตไม่มีอะไรดีกว่าสังเกตเอามองมองดูภาพรวมตอนนี้มันเหมือนถ้าเหมือนคนเดินเนี่ยเ<ม>ทีทยบยศใหม่เงี้ยผมเทียบเหมือนเหมือนการเดินของคนที่ใช้เท้าซ้ายทเท้าขวาเดิน<อ>การปฏิบัติของผมเป็นลักษณะแบบนี้<อ>ผมมองผมมองอย่างนี้นะไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่ที่ถูกนะแต่ว่าตอนเนี้ขาขวาเดินเยอะไปนิดนึงทําสมาธิเยอะไป ใจทื่อๆมากไปนิดนึงรู้สึกไหมตรงนี้แต่ผมว่าผมว่าขนาดนี้ขนาดนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดที่ที่ชีวิตปกติแล้วไม่ใช่แบบนี้ถูกต้องแล้วนั้นที่ทำอยู่ใช้ได้นะดีแล้ะข้างหลังนูนข้างหลังหลังคุณวุฒิชื่ออะไรหลวงพ่อลืมไปแล้วบุญเลิศครับเออนานๆส่งกันบ้านที่จำชื่อไม่ได้ธรรมตการหลวงพ่อครับหลังจากที่ลองสังเกตดูรู้สึกว่า เวลาอยู่คนเดียวนีคยับจะโทสะข้อนั่งรุนแรงขึ้นนะครับไม่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นอยู่เดิมหรือว่าเราสังเกตเห็นขึ้นมาครับเพราะเราเห็นมากขึ้นภาวนาแล้วสติเกิดไวขึ้นเราเห็นกิเลสบ่อยขึ้นแต่เดิมเราก็มีกิเลสแต่เราไม่เห็นไม่ใช่การเจริญสติทําให้กิเลสเยอะขึ้นนะในการเจริญสติทําให้เห็นกิเลสเยอะขึ้นแต่อยู่ที่ว่าเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วเป็นกลางเห็นแล้วรู้ด้วยควาเป็นกลางไปไม่ดีก็ได้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเห็นโทสะเนี่ยฮะเราก็จะกดไว้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเหมือนกับเราปล่อยเราตามดูเนี่ยมันมันก็จะดีกี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้นจะผิดผไหมครับผิดสิถ้ารู้ถูกต้องนะมันจะดับไปเลยอย่างถ้าเราไปเห็นโทสะเราไม่ชอบมันอยากให้มันหายนะโทสะไม่หายหรอกบางทียิ่งโมโหตัวเองเอีกว่าทำไมมันโมโหบ่อยนักนะแต่ถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางจริงๆโทสะจะดับทันทีเลย ใจหนีไปคิดซ้ำไหมครับเออให้รู้ทันสภาวะโลกปัจจุบันบ่อยๆเวลาที่เราเราหนีไปคิดนี่มันจะเป็นอาการเบอร์เบอร์อะครับใช่จิตมันมีโมหะครับมัวเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหอทําไมมันเบลอรู้ไหมเพราะมันยังจับความคิดได้ไม่มั่นครับถ้ามันจับความคิดได้มั่นๆแล้วมันไม่เบลอนะเข้าไปอยู่ในความคิดเลยครับสังเกตเวลาขณาดจิตปัจจุบันเนี่ยถ้าเบอร์ปุ๊บ เวลามองไปที่หลวงพ่อเนี่ยจะจะมัวๆไปเลยฮะถึงรู้สึกตัวมองหลวงพ่อก็ชัดแวบเดียวครับหลวงพ่อมีปาฏิหาริย์ไม่มีใครเห็นหน้าหลวงพ่อชัดเกินหนึ่งขณะจิตนะใช่ไหมคุณวิสิธินี่มีพยานนะไปมองหมาก็เหมือนกันแหละไม่ต้องมองหลวงพ่อหรอกเพราะตาเราเห็นรูปชั่วขณะเดียวอ่ะเบอร์เจ็ดเก่า ข, ขอบคุณครับ อ้าวทีมนี้ยังไม่ได้ส่งกันบ้านเลยหนูสงสัยอะค่ะที่หนูเห็นว่าจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วมีช่องว่างเล็กๆมาคั้งเนี่ยที่หนูเห็นเนี่ยใช่ที่เรียกว่าสันตติสันตติเป็นขาดใช่ไหมคะใช่งั้นรู้ไปเรื่อยๆนะอย่ารีบร้อนเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นะอ้าส่งไปหนูนารับก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติขึ้นค่ะ แล้วเมื่อกี้นั่งสังเกตเวลาที่จิตมันไหลมันแป๊บๆป๊แป๊แ ป, แ, ปแต่ว่าตอนหลังก็รู้สึกตัวว่าเอ้ยเราก็าไปจ้องมันมยังไม่เลิกเลยล่ ะ, ะดะดวกป่าวตอนนี้ผิดธรรมดาน ะ, ะ, ะนกได้คนละนิดหนึ่งเหมือนหมอโรงพยาบาล น, นะเงยหน้าก็เขียนใบสั่งยาละเมื่อกี้นั่งๆั่งอยู่แล้วใจมันไม่ตั้งมั่นค่ะคุงซาแต่ใช้ได้นะตอนที่หนูนาพูดเนี่ยนกใช้ได้เลย แล้วก็ตอนนี้รู้สึกใจตั้งมั่นขึ้นค่ะนี่เขาคู่กันนะก <c oughs> ็าเป็นไหนนกกับหนู <c oughs> อะลงมาข้างหน้าเลยกลาวนมัสการอาจารย์ครับรู้สึกว่าตื่ น, ตนเต้นฮนะแล้วก็รู้สึกมีความตั้งใจมากเกินไปครับเออตอบถูกแต่ส่งไปข้างหลังเลยนะมันสการอาจารย์ค่ะเออบางบางเวลาก็ก็ตื่นบางเวลาก็หลบับ แต่หนูก็ไม่ทราบว่าปฏิบัติมาถูกรขณะนี้ตื่นหรือหลับขณะนี้ขณะนี้ตื่นหรือขณะนี้หลับล่ะขณะนี้ตื่นค่ะขณะนี้หลับหลับไปเรียนกับคุณอ布าต่อนะยังหลับอยู่นะยังไม่ได้ตื่นเพราะอะไรเพราะใจยังคิดไม่เลิกรู้สึกไหมเรารู้เรื่องที่เราคิดเราไม่ได้รู้กายรู้ใจ แต่พอเราย้อนมารู้กายรู้ใจเราก็ไม่ใช่รู้กายรู้ใจอีกเราไปเพ่งกายเพ่งใจอย่างตอนนี้ลืมกายลืมใจอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยตรงที่รู้ทันว่าลืมตัวเองไปนะขณะนั้นจะรู้สึกตัวขึ้นแวบหนึ่งเนี่ยขณะ น, นี้นีวิคิดอีกแล้วทราบไหมเออใช้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ถึงเรียกว่าตื่นนะ <c oughs> ตรงนี้เรียกว่าตื่นนะแต่กี้หลับอ่ะส่งมาลืมชื่ออีกแล้วนานๆเจอทีชื่ออะไรนะ แต่แตค่ะออ ต, ตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อเราก็เห็นว่าตัวเองมีความอยากรู้มากมอยากดีอยากรู้แล้วก็ทุกข์กับสิ่งหนึ่งเหล่านี้มากก็ดีแล้วล่ะอยากเกิดขึ้นก็ต้องทุกข์นะรูะ้ไปดีแล้วคบกันไว้แล้วรวมกลุ่มกันภาวนาอ้าส่งไปข้างหลังทุศีนหัวหน้าทุศีลนี่ชื่อทีมทุสีนทีมนี้อ้าจากเมื่อเมื่อกี้สักพักนี่จิตมัน จิตมันหลับครับจิตมันไม่ไม่ไม่ให้ตื่นก่อนหน้านี้จิตมันก็ยังตื่นอยู่พอสักพักมันก็มันก็ไปหลับแต่ว่าคือก็ดูว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องพยายามไปดึงไม่ต้องทําอะไรมันนะครับปอมันเหมือนสดท้ายมันเหมือนแบบมันดูชัดๆอะครับไม่ทราบว่าทําอะไรผิดหรือเปล่าครับรู้ชัดเกินไปนิดนึงเราสติแรงไปนิดนึงนะผ่อนคลายกว่านี้นิดนึง เหมือนแบบมันมันยายามการรู้ใชมม่มันมันมันมันบังคับมากไปเน้นการรู้มากไปสติแรงเกินไปไม่ดีนะสติเกิดบ่อยยิ่งดีนะยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีแต่สติกล้าแข็งเกินไปไม่ดีนะเอาได้แค่นี้นะโยมเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปธุระแล้วอบอยมาช่วยรับประเคนอะไรหน่อย